ให้เราสังเกตใจของเราอย่างที่มันเป็นใจเราเคลิ้มไปก็รู้ใจเราแข็งแข็งขึ้นมาก็รู้ใจเราหนีไปคิดก็รู้คอยรู้ทันไปเรื่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นไปเองมันทํางานของมันได้เองดูไปมากๆก็เห็นมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ของบังคับไม่ได้ ใจเราเรายักมาคคับไม่ได้เราแบบบังคับใจใครนะเราพอนานะก็ดูไปเข้าใจคนอื่นได้เยอะขึ้นด้วยเข้าใจตัวเองแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นแต่ถ้าพยายามจะไปเข้าใจที่คนอื่นนะจะไม่เข้าใจตัวเองจะกลับกันนะถ้าเราเข้าใจตัวเองได้เราจะเข้าใจคนอื่นได้แต่ถ้าเราพยายามไปเรียนรู้ที่คนอื่นนะอย่างเราอยากรู้จิตคนอื่น ไม่ยากหรอกรู้จิตคนอื่นง่ายมันจะไม่ยอมกลับมารู้จิตตัวเองตัวนี้ยากละยากที่จะกลับมารู้ตัวเองนีง่นหละพ่อจะคอยบังคับพวกเราคอยตําหนิตีเตียนไม่ให้เราไปดูจิตคนอื่นพากเราบางคนภาวานานิดเดียวก็เห็นจิตคนอื่นแล้วเห็นจิตคนอื่นแล้วมันจะไม่เห็นจิตตัวเองยากมากเลยถ้าไปรู้ของคนอื่นแล้วนะมันสนุกมันเพลิน มันดูง่ายออกนอกอ่ะย้อนมาเรียนให้เห็นสันดานที่แท้จริงของตัวเองนี่ยากที่สุดเลยกิเลสคนอื่นดูง่ายกิเลสตัวเองดูยากเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ล้างกิเลสคนอื่นเราล้างกิเลสของเราเองก็งดูของเราเองงั้นย้อนมาหาตัวเองนะรู้สึกอยู่ในตัวเองเห็นร่างกายมันนั่งตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ รู้สึกไหมร่างกายนั่งรู้สึกเอาน้าไม่ต้องไปดูด้วยตานั่งหรือไม่นั่งต้องถามไหมตอนนี้กำลังนั่งหรือเปล่าหรือทำอะไรอยู่ต้องดูไหมไม่ต้องอะรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเป็นรูปที่รู้ด้วยใจรูปที่รู้ด้วยใจรูปดินรูปไฟรูปลมรู้ด้วยกายรูปน้ำรู้ด้วยใจ รู้ได้ใจรูปเคลื่อนไหวรู้ได้ใจงั้นรูปบางอย่างรู้ได้ตานะรูปบางอย่างรู้ได้หูรูปบางอย่างรู้ได้จมูกรูปบางอย่างรู้ได้ลิ้นรูปบางอย่างรู้ได้ร่างกายด้วยกายประสาทรูปบางอย่างรู้ได้ใจรูปอะไรรู้ด้วยตาก็สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเห็นไหมวันนี้สีเหลืองเยอะ รู้สีเหลืองรู้ไงรู้ด้วยตาสิ่งที่เรียกว่ารูปคืออะไรรูปที่ตามมองเห็นสิ่งที่รูปที่ตามมองเห็นก็คือสีนั่นเองนั้นตาเนี่ยเห็นรูปอย่างเดียวคือเห็นสีเห็นสีภาษาแขกเรียกวันณรูปไม่ใช่วันณโรคนะ ว, นวันนระูปวันณะว่สีสีสันวันณนะรูปที่รู้ด้วยหูมีอย่างเดียว คือเสียงเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมีความหมายไหมเสียงที่หูได้ยินมีความหมายไหมไม่มีมันมันมีความหมายเมื่อใจเข้าไปแปลใช่ไหมงั้นเรารู้ความหมายของเสียงด้วยใจรู้ความหมายของรูปด้วยใจตัวที่เห็นรูปก็คือตาตัวที่ได้ยินเสียงคือหูรูปที่รู้ด้วยจมูกคือกลิน่น กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอันนี้ใจคิดขึ้นมาทีหลังจมูกได้กลิ่นเท่านั้นะไม่แปลว่าหอมหรือเหม็นชอบหรือไม่ชอบหอมหรือเหม็นชอบไม่ชอบเป็นการตัดสินทีหลังใจเป็นคนทำงานตาหูจมูกลิ้นลิ้นรู้รู้อะไรรู้รูปอย่างเดียวคือรสรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวาน รสเค็มใครเป็นคนรู้รสเค็มใจเป็นคนรู้ลินรู้รสเฉยๆแล้วก็สรุปออกมาว่าใจไม่เป็นคนสรุป น, นี่เค็มอันนี้หวานนะงั้ลินเป็นคนรู้รสร่างกายรู้อะไรร่างกายรู้รูปได้สามรูปรูปดินคือความแข็งความอ่อนรูปลมคือความตึงความไหว รูปไฟคือความร้อนความเย็นลองจับมือตัวเองซิรู้สึกไหมแข็งลองจับแล้วลองย้ายที่สิมันแข็งไม่เท่ากันแต่ละส่วนนะรูปไม่คงที่รูปแต่ละที่องค์ประกอบไม่เท่ากันลองเปลี่ยนหม่ลองจับเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปรู้สึกที่ความอบอุ่นความร้อนรู้สึกไหมบางจุดร้อนบางจุดเย็น สัมผัสที่เดิมอ่ะบางทีไปรู้รตัวธาตุดินไอ้ตัวนี้แข็งบางทีจิตมันคลิกมุมไปไปเห็นธาตุไฟไอ้ตัวนี้อุ่นตัวนี้เย็นเย็นเนี้ยคือธาตุไฟมันน้อยมันก็เย็นนี่รูปรูปที่เหลือมรู้ได้ใจรูปที่เหลือรู้ได้ใจสิ่งที่รู้ได้ได้ใจเรียกว่าธรรมารม สิ่งที่รู้ด้ใจเรียกว่าธรรมารมเรื่องราวที่เราคิดรู้ได้อะไรเรื่องราวที่คิดรู้ได้ใจฉะนั้นสมมติปัญญาตเป็นธรรมารมความรู้สึกต่างๆสุกทุกข์ดีชั่วรู้ได้ใจไม่ได้รู้ด้วยร่างกายสนุกทุกข์ดีชั่วก็เป็นธรรมารมตัวจิตเอง ถ้ามีจิตวิ่งไปทางตาแล้วก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตตะกี้วิ่งไปทางตาจิตตอนที่ขณะที่มันไปดูรูปนีจิตเป็นจิตแต่พอเกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมารู้ว่าจิตตกี้ไปดูรูปจิตตกี้เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้ตกจากการเป็นจิตไปละไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นประธาน จิตมันเป็นใหญ่มันเป็นประธานในธรรมทั้งปวงอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดดับไปเรื่อยๆสมมติบัญญัติก็เป็นธรรมารมรูปจำนวนมากเป็นธรรมารมรูปนามทั้งหลายเป็นธรรมารมนิพพานก็เป็นธรรมารมดูได้ใจ ใ, ใจนี้เป็นธรรมชาติที่รับรู้ได้กว้างขวางที่สุดเลยเทียบกับตานะตารู้รูปได้อย่างเดียวรู้สีได้อย่างเดียว เที่ยแบบหูหูได้ยินเสียงได้อย่างเดียวใจนี้สารพัดเลยเะนั้นใจเป็นถึงใหญ่ครอบคลุมธรรมะอื่นๆไว้เต้มไปหมดเลยเป็นหัวหน้าครูบาอาจารย์สอนหน้าได้ใจก็คือได้ธรรมเสียใจไปก็คือเสียธรรมไปเะนั้นเราพยายามให้ใจอยู่กับตัวเองให้ใจมันกลับมา ให้ใจมันหนีไปใจของเราหนีตลอดวันตลอดคืนหนีไปไหนหนีไปแปลความหมายของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสหนีไปคิดนึกทางใจหนีไปรู้อารมณ์ทางใจหนีไปดูรูปดูดําต่อะไรสารพัดมันหนีมันลืมตัวเองทําไงมันจะไม่ไป ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่มันไปจิตนะพรุทธเจ้าบอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนทเที่ยวไปรวดเร็วม่มีธรรมชาติเที่ยวไปคนแขกเขาคุ้นกับวัววัวมันเดินไปป่าไปเรื่อยๆเวลาวัวมันเที่ยวไปเขาเรียกว่าอะไรไหมโคจรโคจรจิตของเราก็โคจร โคจรไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเทจีท่ยวไปเรื่อยๆธรรมชาติของมันเที่ยวจะไปห้ามมันไม่ให้เที่ยวไม่ได้แต่มันเที่ยวไปเรารู้ถ้าเที่ยวแล้วไม่รู้นะเหมือนวัวเดินไปไปตกหลุมตกบ่อวัวโง่มองไม่เห็นถ้าวัวฉลาดก็ไม่ไปเดินตกหลุมตกบ่ออะไรจิตที่ฉลาดออกไปรู้อารมณ์แต่ไม่ทุกจิตที่โง่ออกไปรู้อารมณ์แล้วก็ทุก จุดสําคัญไม่ได้อยู่ที่การฝึกไม่ให้จิตไปรู้อารมณ์แต่ฝึกฉิตให้มันหายโง่นั้นมันรู้อารมณ์แล้วมันไม่ทุกข์มันเห็นรูปที่พอใจรูปที่พอใจเนีเกิดขึ้นมันอยากให้อยู่นานๆเนี่ยมันโง่เพราะรูปทั้งหลายไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ไปเสียงที่พอใจเกิดขึ้นจิตที่โง่ก็อยากอยู่นานๆอยากให้เสียงเพ้อๆอยู่นานๆ อยู่ช่วคราวแล้วมันก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานะอย่างร่างกายนียใจมันโง่ก็อยากให้ร่างกายเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาลไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเวลาอยู่กับคนที่รักก็อยากอยู่นานๆไม่อยากให้พลัดพรากที่จริงทุกคนต้องพลัดพรากไม่ว่าเราจะรักใครแค่ไหนนะถึงวันหนึ่งทุกคนต้องพลัดพราก เขาไม่จากไปเราก็จากเองก็พลัดพรากกันบางทีก็จากตอนเป็นๆบางทีก็จากตอนตายยังไงก็ต้องพลัดพรากเนี่ยใจที่ฉลาดนะมันจะไม่ทุกข์ใจที่โง่มันทุกข์เพาเราไม่ได้ไปฝึกจิตให้นิ่งห้ามท่องเที่ยวห้ามไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องห้าม จิตท่องเที่ยวไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดชั่วให้รู้รู้ไปจนเห็นว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวมาแล้วดับหมดเลยเนอย่างนี้จิตหายโง ộ, ่จิตหายโง่แล้วต่อไปอยู่ตรงไหนก็มีความสุขมันมันไม่มีความสุขเพราะมันโงน่นะฝึกให้หายโง่ด้วยการเห็นความจริงบ่อยๆเห็นความจริงก็เข้าใจความจริงก็ไม่โง่งมง ไปฝึกอาหนะอยู่เมืองจีนก็ฝึกได้เท่าๆกับอยู่เมืองไทยแหละคนจีนมีตาไหมมีตาไหมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนคนไทยเห็นไหมมีตาก็เห็นรูปพอเห็นรูปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันมีหูก็ได้ยินเสียงได้ยินแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันมีจมูกได้กลิ่นได้กลิ่นแล้ว เกิด ER สุขเกิด ER ทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันมีใจก็คิดคิดไปแล้วเกิดสุขเกิด ER ทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันอีกรู้ไปเรื่อยก็จะเห็นว่าทัวอย่างโชคเราอันนี้คือการเจริญปัญญาแล้วนะไม่ใช่เรื่องนั่งสมนะสาธิละสมสี่วันที่เหลือ น, นี้ต้องเน้นเรื่องการเจริญปัญญาละจะต้องเอาเอาวุธที่สำคัญที่สุดไปลนะเรียนวิทยายุทธมาหลายวันละ เด่นมาตั้งแต่เบื้องต้นฝึกให้มีสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจมันรู้ทันได้เพราะมันเห็นสภาวะบ่อยๆอย่างเราคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวสติก็รู้เองว่าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆต่อไปพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นสติก็รู้เองโดยไม่ได้เจตนาจะรู้ เราฝึกมีสติมาแล้วเราฝึกศีลด้วยการมีสติรู้ทันกิเลสกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสครอบงํำจิตไม่ได้ม่กิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลก็เกิดจิตใจเป็นปกติเป็นธรรมดาสบายเราเรียนเรื่องสมาธิมาแล้วมี2ชนิด สถานที่ที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็อาศัยสติไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับลมหายใจเงี้ยหรืออยู่กับมืออยู่กับท้องจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตสบายอยู่ที่ไหนจิตก็พักอยู่ที่นั่นได้ความสงบถ้าเราจะฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นเราหายใจไปแล้วเรารู้ทันจิต จิตนี้ไปเรารู้จิตนี้ไปเรารู้จิตไหลไปอยู่กับลมหายใจเรารู้เราก็จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาจากนั้นเป็นขั้นเจริญปัญญาพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วนะเวลาจิตไปรู้อารมณ์มันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันจิตแค่เป็นกลางมีจิตที่ตั้งมั่นมีจิตที่เป็นกลางนะคราวนี้แหละจะเดินปัญญาตัวจริงเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหว เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขเราทุกข์เห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นไม่ใช่เราโรลภโกรธหลงความโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาโ่วครั้งโชวคราวแล้วก็ไปเห็นจิตใจเป็นทํางานไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยเห็นทุกอย่างไม่คงที่เห็นทุกอย่างบังคับไม่ได้แต่การจะดูทีเดียวทุกอย่างดูยากเอาสัอย่างเดียวก่อนก็พอถ้าคนไหน เป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูร่างกายเยอะหน่อยไม่ต้องดูทีเดียวทุกอย่างดูทุกอย่างมันยากไปคนไหนถนัดก็ดูกายถนัดดูกายก็ดูกายเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูร่างกายกินข้าวใจเป็นคนดูร่างกายขับถ่ายใจเป็นคนดูดูไปเรื่อย rage, ๆมันจะเห็นวนะ่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราใจที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเรา สุดท้ายจะเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีความทุกข์มันไม่อยู่ที่เราอีกต่อไปละหรือคนไหนเป็นคนช่างคิดก็มาดูจิตดูใจวิธีดูจิตดูใจก็คือให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจกระทบไปตามปกติมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่พอกระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดโลภโกรธลงให้รู้นะ จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ไดนะ้ค่อยฝึกไปเรนะื่อยสุดท้ายมันก็เข้ามาถึงทำอันเดียวกันคือใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปบังคับไม่ได้สักอันเดียวนะจะเริ่มมาจากดูกายก็ได้จะเริ่มด้วยการดูจิตใจตัวเองก็ได้มันลงที่เดียวกันหมดนะไปทานะพักเพียนเข้า มีแรงรู้เท่าทันจิตใจก็รู้ไปรู้จิตใจไม่ได้ก็ดูร่างกายมันทางานไปใจเป็นคนดูดูกายก็ไม่ได้ดูใจก็ไม่ได้ทำความสงบไหมพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปมีสติอยู่มีสติหายใจไปได้เดี๋ยวมันมีแรงขึ้นมานั้นก็กลับไปดูกายดูใจได้ไหมก็ฝึกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวชีวิตก็จะดีขึ้นนะใช้เวลาไม่มากหรอก เอาต่อไปให้ส่งกันบ้านรู้สึกวันนี้มันเบอร์เบอร์ลอยลอยเบอร์เบอร์ประุูร่างกายบางทีจิตมันก็มีแรงบางทีมันก็ไม่มีแรงเป็นธรรมดานะจุดสำคัญก็คือเจริญสติเรื่อยไปมีแรงก็ดูไม่มีแรงก็ดูไม่ใช่มีแรงก็ดูไม่มีแรงก็เลิกนะเวลาไม่มีแรงดูได้ไง ก็รู้ว่ากําลังไม่มีแรงเข้าใจก็ดูไม่เข้าใจก็ดูเนี่ยอย่างเราเห็นกายเห็นใจมันทำงานแหมรู้อะไรไม่ใช่เราอะไรก็ดูไปบางวันงงเฮ้จะดูยังไงเนี่ยกําลังงงงงรู้ว่างงดูรู้เรื่องก็ดูดูไม่รู้เรื่องก็รู้ว่าไม่รู้เรื่องรู้มันซื่อซื่อรู้มันสบายสบายไปให้รู้เอารู้อย่างที่มันเป็น อย่าไปปล่อยจิตให้มันอ่อนเราถวยหมดเรีหมดแรงนะบางทีจิตมันรู้สึกเครียดอะไรเงี้ยทำใจเข้มแข็งไว้คิดสู้ไว้เข้มแข็งขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเข้มแข็งเดี๋ยวก็หายถ้าจิตใจไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วเมื่อไหร่จะมีสักทีไม่มีหรอกถ้ามันไม่มีแรงเดี๋ยวก็มีแล้ว พยายามแพ้มันครับขอบคุณครับไม่ไม่มีแรงเหมือนกันค่ะจะพยายามฮึดสู้ค่ะเออต้องหืบสู้ตื่นเย็นไหมวันจันทร์มาไม่มีแรงวันตรงกลางๆมีแรงวันนี้แรงเริ่มตกอีกแล้วไม่อยากกับบ้านเลยังไม่กลับค่ะอะไรไม่ได้กับ <c oughs> อ่ะจิตดือ้อหรือมันอะไรนะดือด้อคนดือด้อดื้อถมไปดืว่าเราก็มี อย่าดื้อเยอะดื้อนิดหน่อยพองามค่ะก็รู้สึกว่ามีแรงมากกว่าวันแรกที่หลวงพ่อบอกอะคะ่ะเราก็มีเครื่องอยู่ไว้เรื่อยๆจะอยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรก็เอาซักอันอะไรก็ได้นะจะรู้ลมหายใจอะไรก็ได้รู้มไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทำก็มาดูมไป หรืสวดมนต์สั้นๆนไปเรื่อยๆสวดมนต์สักบทหนึ่งสวดแล้วสวดอีกสวดเล่นๆไปสวดแล้วก็คอยรู้สึกตัวไปจะได้มีแรงเยอะไม่งันแรงน้อยไปจิตไม่เข้าฐานครับหลวงพ่อคอยไหลออกไหลออกไห ล, อ อ, หลออกไม่มีปัญหาไหลออกรู้ว่าไหลจิตเข้าฐานน่ยไม่ต้องเข้าตลอดเวลาถ้าห้ามจิตออกจักฐารเนี่ยเป็นเพ่งนะ จิตไหลแล้วรู้แล้วมันเข้ามาเองสบายๆอย่างนั้นถึงจะใช้ได้หลวงพ่อคะขออนุญาตอืย่างสมมุติว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆค่ ะ, คะก็จะนึกถึงหลวงพ่อหายใจลึกๆแล้วก็ <c oughs> ออกมาใจมั น, นก็คลายมีความสุขขึ้นมานิดนึงอันนี้ใช้ได้ได้ได้ทอะไรไม่ได้จริงๆนะทําใจสบายหายใจสองทีก็หายแนละ้ว หรือชวนตัวจริงๆนะสมมติมีอะไรน่ากลัวมานึกถึงหลวงพ่อไว้เพราหายแล้วบางคนได้เห็นหลวงพ่อไปช่วยนะมีน ะ, นะมีพระไปภานาอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำหนาวจะขาดใจแล้วไฟเฟยอะไรไม่มีนะไม่รู้จะทำไงนึกถึงหลวงพ่อมันนึกถึงหลวงพ่อแล้วมันร้อนขึ้นมาเลยนะเหมันหายใจเป็นไฟออกมาเลยนึกถึงหลวงพ่อแล้วมนร้อนเพราะว่ากลัว <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้ถ้าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อต้องว่าแน่เลยว่าอ่อนแอร้อนไปทั้งตัวเลยเลยไม่หนาวหลวงพ่ อ, อครับเขาพ่อครั้ที่แล้วมาเขาขอส หลังจากเขาคอร์สแล้วกลับไปประเทศจีนจะคนที่ขั้นขัจะเห็นความเปลี่ยนเป็นของเขาเขาจะเริ่มไม่ได้บังคับตัวเองเริ่มจะรู้สตัวมากขึ้นตัวเองจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นให้คนอื่นก็มีความสุขมากขึ้นครับถูกแล้วละ่ะคือ เ, เขาเริ่มเห็นแล้วว่าร่างกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งความรู้สึกก็แยกออกไปได้แยกเป็นส่วนๆได้แล้วเรื่องแยกขันได้แล้ว เมื่อมันแยกได้แล้วการพอนาจะไม่ยากแล้วล่ะเราก็จะดูไปเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายเหมือนเห็นกายคนอื่นเห็นความรู้สึกเหมือนเห็นความรู้สึกของคนอื่นเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานไปเรื่อยเห็นมากพอมันก็เข้าใจเข้าใจหายโง่ะนะหายโง่เ็ไม่ทุกข์หรอกสังเกตไหมว่าทุกน้อยลงดูออกไหมว่าทุกน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะโง่น้อยลง มันแยกได้แล้วแยกกายแยกใจไดนะ้เรียกว่าเราฉลาดมากขึ้นแล้วต่อไปเรายิ่งฉลาดกว่า น, นี้อีกเราเห็นไกลเห็นใจนะไม่ใช่ตัวเราเลยนะมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถ้าจะฉลาดเต็มที่นะต่อไปจะไม่ทุกอีกแล้วเขาบว่าก่อนเขามาเขาคอสจะไป ไปที่พ่อแม่เขาจะจะเสียแล้วเขาจะไปที่ฝังพ่อแม่จะไปที่นู่นจะสัมผัสที่พนันที่ไม่ดีจะให้ร่างกายเขาจะเรียมแยมเย็เนเย็ น, นจิบเลยครับเขาอยากจะถามว่าอันนี้แสดงว่าพ่อแม่เขาอาจจะไปที่ไม่ดีเขาอยากจะถามว่ า, เ, นนวาเ ข, า, า, เ ข, า, า, า, า, ขาต้องทำควรทํำยังไงจะช่วยพ่อแม่เขาครับก็เวลาเรา ทำความดีนะอย่างเราใจเรามีสมาธิ่งนั้นนะเราก็นึกถึงพ่อแม่ไปขอให้พ่อแม่มีความสุขพลังของจิตที่ดีมีคุณภาพเนะี่ยแล้วจะส่งพลังไปกราบขอโอกาสท่านหลวงพ่อครับคราวที่แล้วกันบ้านคือให้ดูความไม่เป็นกลางก็เป็นกลางมากขึ้นครับแต่ก็ยัง แทรกแซงอยู่ครับเออขารู้ไปอีกนะครับสังเกตไหมว่าเราพัฒนาขึ้นสังเกตอยู่ครับตีแล้วเราทําถูกแล้วแล้วก็ตอนทําในรูปแบบมันมีการเมื่อมันสงบแล้วมันรู้สึกมันจะมีโมหะเข้ามาแทรกเนี่ยผมผมควรทํำยังไงหายใจไปหายใจหายใจยาวๆไปถึงตามกระดูกสันหลังหายใจไปให้ลึกกว่าเดิมจริงครับมันเหมือนกับว่าเราหายใจผ่านไปนะ สมองก้านสมองเนะี่ยไปถึงไล่ตามกระดูกสันหลังไปไปถึงก้นกบเลยราย ใ, ใจไล่ๆไปสักพักก็สว่างขึ้นมาสาธุครับครั บ, รบกราบนมาสการหลวงพ่อครับว่าไงผมต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อชีวิตผมเปลี่ยนแล้วแล้วเปลี่ยนแล้วเหรอ <c oughs> ไม่เจอหลวงพ่อชีวิตก็เปลี่ยน <c oughs> เพราะว่าชีวิตไม่คงที่พอดีวันนี้เป็นวันวันดีครับ อยากขอกราบถวายบุญกุศลจากการภาวนาให้หลวงพ่อครับถวายในหลวงสิอาที่วันเกิดในหลวงใช่ไหมครับ อ, อแล้วก็วันนี้ขอโอกาสให้น้องคนหนึ่งครับพ อ, อดีว่าอเขาจะลําดับคําพูดไม่ถูกครับก็เบื้องต้นผมแนะนําให้เขาสวดมนต์ไหว้พระครับเออพอดีแล้วพี่แล้วก็แล้วก็พอดีว่าเขาได้พบสภาวะสองสภาวะครับออืเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากต้องขอคําแนะนําจากหลวงพ่ อ, อ, อครับว่ามาสภาวะอะไร ก็มีครั้งแรกอะค่ะพอดีว่าปกติเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากมดูหนังอะไรที่มันเศร้าก็จะร้องไห้แล้วมีม <c oughs> แล้วมีวันหนึ่งอะค่ะดูหนังแล้วทีนี้กําลังอินแล้วทีนี้จะร้องไห้น้ําตาจะไหลแล้วก็คือแบบอินเต็มที่แล้วอะค่ะแล้วก็มันก็มีสติขึ้นมาว่ากําลังอินเออเท่านั้นเองแล้วทีนี้มันก็หยุดไปเลยอะค่ะใช่ถูกไปเลยก็เลย ก็เลยงงว่ามันถูกหรือเปล่าลอะไรอย่างเงี้ยถูกเป๊ะเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเราก็รู้แบบเดียวกันนี้ความโลภความโกรธความลงอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้แบบเดียวกันนี้หมดเลยนะใจไปอินเรารู้ทันว่าอินมันก็เลิกอิน ใ, ใจมันโกรธรู้ทันมันก็เลิกโกรธมันก็หายไปเลยอะค่ะก็ดูได้แบบปกติไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใช่ต่อไปจะไม่อยากดูเพราะดูทีไรปกติทุกที่เลยนะ ให่ไปดูมันทำไมอยากให้หลวงพ่อไปนั่งดูละครโทรทัศน์นะไม่เอาเลยรู้สึกว่าเสียเวลามากมันโกหกชัดๆบางทีมันทำเป็นร้องไห้นะเราเห็นเนี่ยข้างในมันขำดูแล้วจืดดูไม่ได้เลยเรื่นียก็เศร้าเศร้าวให้มันแกล้งทำแล้วอย่างนี้มันเป็นการรู้ ใ, ใช่รู้ใจรู้ถูกด้วยแล้วสภาวะที่สองเป็นยังไง อ, อสภาวะที่สองก็คือตอนกลางคืนนอนนะคะก็คือเหมือนเหมือนหลับปกติอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หลับมัเมนเหมือนแบบเห็นว่าตัวเองนอนแล้วก็พลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแห่ดีสอนเก่งนะท้องชมคนสอนนะสอนได้ดี คือเราพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองได้นอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็นอนคลี่ไปคลี่มาไงอย่างนี้มันถูกไหมคะถูกถ้ามันหลับก็หลับถ้ามันไม่หลับนะร่างกายมันหลับร่างกายมันนอนแต่ใจเราตื่นแล้วก็รู้สึกเห็นร่างกายมันนอนไปทำใจสบายๆใจเราสว่างสบายไปอยู่ยงั้นทั้งคืนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร <c oughs> ใจเราก็ได้พักอยู่ในสมาธิสว่างว่างร่างกายก็ได้พักอยู่บนเตียงได้พักผ่อนอยู่แล้วเพียงแต่มันแยกกันพักค่ะขอคาแนะนำหลวงพ่อด้วยค่ะทำถูกแล้วล่ะไปทาอีกไปส่วนมนไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะกลาวนามัตรการหลวงพ่อครับวันนี้ผมจะ เอาผลการปฏิบัติที่ปฏิบัติมานานแล้วมากราบแต่ ว, วัยหลวงพ่อครับ<ป>คือหลวงพ่อรับตอนนี้ผมปฏิบัติมาก็แยกกายแยกจิตนะครับได้และก็รู้การเกิดการดับของกายของจิตและก็เวทนาได้แต่ยังไม่เกิดปัญญานะครับปัญญายังไม่เห็นนะครับเราเห็นไหมว่าร่างกายจิตใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อ, อย่างจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวดห้หมุนเวียนไปเห็นไหมอันนี้ เห็นครับเออเห็นอย่างนี้เราเดินปัญญาอยู่แล้วล่ะนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่สรุปให้เราฟังเท่านั้นเองกับและอีกอย่างนะครับหลวงพ่อเวลาผมนั่งสมาธิที่ว่าทําโดยรูปแบบเนี่ยพอจิตผมมีสมาธิเนี่ยเหมือนกับว่าผมเห็นจิตของผมเนี่ยเหมือนจะไปติดอะไรสักอย่างเหมือนติดในห้องอะไรลักษหะ อ, อย่างนั้นแล้วก็เกิดแสียงสวางแล้วก็กล้าวเคลียไม่ยอมไปไหนนะครับมันสาเหตุอะไรครับ ใจมันมีสมาธินะแล้วมันก็ไปเห็นความจริงอย่างหนึง่งจิตของพวกเราแต่ละค น, นะไม่อิสระถูกขังอยู่นี่อย่างดีนะถูกขังในห้องตอนหลวงพ่อไปเรียนกรรมฐานใหม่ๆนะครูบาอาจารย์ทางอีสานะท่านบอกว่าถูกขังอยู่ในหยประแดก <laughs> เล็กกว่าอยู่ในห้องอีกเนาะจิตเรามันมันอยู่ในที่คับแคบไม่อิสระเราเห็นถูกแล้วล่ะ เห็นตรงนี้ได้ต่อไปไมันจะรู้ทราบซึ้งถึงอกถึงใจนะว่าจิตนี้มีแต่ทุกข์นะมันติดคุกอยู่ตลอดเวลาค่อยๆดูนะให้ดูเห็นถูกแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับกลับนพะันธ ก, การพระอาจารย์ค่ะโยมจะมาส่งการบ้านค่ะโยมเห็นแล้วว่าการการเกิดดับอะไรเนี่ยคะก็เห็นแล้วกไ็ไม่ต้องทําอะไรอ่ะคะมันจะเกิดขึ้นเองอ่ะคะเออนั่นแหละไม่เกิดดับอยู่ทั้งวันแหละค่ะ เห็นแล้วเป็นไงกิเลสเกิดรู้ทันไหวไหมรู้ทันค่รู้ทันแล้วก็รู้เลยว่ามีตัวตนอกะกเยอะเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกมีกิเลสเยอะเลยเดี๋ยวนี้แต่เดิมมันก็มีนะแต่ไม่เห็น <c oughs> ไม่ใช่ภาวนาแล้วกิเลสเยอะกว่าเก่า <c oughs> แต่เดิมเนี่ยคนทั่วท่วไปอะ่ะเขามีกิเลส <c oughs> เขาไม่เคยเห็นเขาก็ถูกกิเลสครอบงำนในพวกเราภาวนากิเลสเกิดเราเห็น <c oughs> เห็นได้บ่อยๆบางคนนั่งมาต่อไหว้ ตแต่เรียนกับหลวงพ่อนะกิเลสมากกว่าเก่าเอาใจเป็นอย่างนั้นสิหลวงพ่อต้องพยายามอธิบายว่าไม่ใช่กิเลสมากกว่าเก่าแต่เห็นบ่อยกว่าเก่าดีแล้วละ่ะที่พาวนาอยู่แล้วโยมก็เห็นจิตนะคะมันเหมือนเทียนขยี้ที่อยู่หน้าพระพุทธรูปอะ่ะมันไว้ไม่ไม่หยุดเลยไม่แต่รอแต่ไวปุ๊บปุบปบ๊อย่างนั้นนะคะนั่นแหละโยมเป็นคนจิตฟุงสร้านโดยธรรมชาตินะค่ะอย่างเราะงั้นรู้ท่านจิตไปเรื่อยๆนั่นถูกแล้วค่ะ แล้วก็ที่ยอมปฏิบัติมานี่ก็ขอแตสระโมชาแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็ตวระกับหลวงพ่อค่ะเออน้าโมทนานะสาธุกล่าวขอบพระคุณค่ะเขาบอกว่าปีที่แล้วเขาเคยเคยมากับพี่คนีมากับหลวงกับพระหลวงกับหลวงพ่อครับนั้นจะกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้เขาอยากจะ อย่าไปเที่ยวหาธรรมะที่อื่นนะครับต้องมาอยู่กับกายอยู่กับใจเองเขากลับไปแล้วจะฝึกตัวเองพ่ายยำฝึกตัวเองอยู่ครับพอมาเขาคอร์สคั้นี้วันวันแรกเลยสอวันเขาจะรู้สึกว่าจะมีมีปีติใจจะเปิดใจจะอิ่มอยู่ข้างในครับ <c oughs> แต่โตมาจะรู้สึกว่ามีง่วงครับเหมือนตาจะลืมตาไม่ได้ครับ จิตมันจะสงบเวลาจิตจะสงบนะมันจะหลบเข้าพักมันจะเหมือนถ้าเราไปฝืนนะเหมือนลืมตาไม่ขึ้นเลยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ให้มันพักไปพอมันพักมีแรงแล้วมันขึ้นมานะนะก็มาดูกายดูใจต่ออย่าไปฝืนมนะันว่าฝืนจะปวดหัวนะ่าหมดแล้วนะเชิญ